บันทึกพิเศษท้ายบทเพื่อความเข้าใจลึกลงไปเฉพาะเรื่องบันทึกที่หนึ่งธรรมนิยามหนึ่งและธรรมนิยามสามมีหลักธรรมสองหมวดใหญ่ที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงโดยตรัสเรียกว่าเป็นธรรมนิยา ม, มตาซึ่งในภาษาไทยนิยมใช้รูปศัพที่เรียกได้สะดวกขึ้นว่าธรรมนิยาม และแปลเป็นภาษาไทยอย่างง่ายว่าภาวะที่แน่นอนแห่งธรรมะธรรมดาหรือกฎธรรมชาติคือหลักความจริงที่มีอยู่โดยธรรมดาหรือความเป็นจริงของธรรมชาติตามที่ดำรงอยู่หรือเป็นไปของมั น, อมนเองซึ่งพระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นหรือไม่มันก็มีก็เป็นไปของมันอยู่อย่างนั้นๆหลักธรรมสองหมวดสําคัญ หรือธรรมนิยามสองชุดนั้นคือชุดที่หนึ่งอิทัปปัจจตาได้แก่ปฏิจจสมุปบาทมีองค์ส2บสองหรือพูดให้ง่ายว่าส2องหัวข้อมีมาในพระไตรปิฎกเล่ม16สังยุตตานิกายนิทานวัต์ชุดที่สองอนิจจตาทุกขาตาและอนัตตา ซึ่งในยุคอัธกถาเป็นต้นมานิยมเรียกชื่อรวมชุดว่าไตรลักษ์จากพระไตรปิฎกเล่ม20อังคุตรนิกายติการนิบาต ท, ที่จริงคำที่ทรงเรียกหลักนี้ตรัสเป็นคำคู่ว่าธรรมทิตตาธรรมนิยามตาซึ่งในภาษาไทยเรียกกันว่าธรรมทิฏฐธรรมนิยาม และนิยมใช้คำเดียวว่าธรรมนิยามธรรมนิยามสองชุดนี้มีความหมายดังได้อธิบายมาแล้วในบทที่สและบทที่4ี่ของพุทธธรรมฉบับปรับขยายตามลำดับแต่เมื่อได้อ่านผ่านมาครบแล้วเห็นว่าควรสรุปข้อควรทราบไว้ด้วยกันและกล่าวถึงข้อสังเกตบางอย่างไว้ในที่นี้เป็นความรู้เสริมประกอบสักเล็กน้อย ธรรมนิยามชุดหนึ่งข้อและชุดสาข้อเรียงต่อกันเป็นสี่ข้อและโยงถึงอริยสัจสี่ธรรมนิยามสองชุดนั้นถ้านับจํานวนเรียงต่อกันก็รวมเป็นธรรมนิยามสคือธรรมนิยามหนึ่งอิทธปัญญาตากับธรรมนิยามสามอนิจจตาทุกขตาอนัตตา ธรรมนิยามหรือธรรมนิยามตาชุดที่หนึ่งคืออิทัปปัจยาตาปฏิจจสมุปบาท ต, ต่อด้วยธรรมนิยามชุดที่สองที่แสดงไตรลักษณ์สามข้อนำมาเรียงต่อกันรวมเป็นธรรมนิยามสี่ข้อดังนี้ในที่นี้ขออ่านเฉพาะคำแปลไทยนะครับหนึ่งตถาคตทั้งหลายจะอุบัติหรือไม่ก็ตาม ธาตุหลักนั้นก็ดำรงอยู่เป็นธรรมทิฏฐิเป็นธรรมานิยามคืออิทัปปจยตา 2. อภิกษุทั้งหลายตถาคตทั้งหลายจะอุบัติหรือไม่ก็ตามธาตุหลักนั้นก็ดำรงอยู่เป็นธรรมทิฏฐิเป็นธรรมานิยามว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสา ภิกษุทั้งหลายตถ า, าคตทั้งหลายจะอุบัติหรือไม่ก็ตามธาตุหลักนั้นก็ดำรงอยู่เป็นธรรมะทิฏฐิเป็นธรรมานิยามว่าสังขารทั้งปวงคงทนอยู่ไม่ได้สภิกษุทั้งหลายตถาคตทั้งหลายจะอุบัติหรือไม่ก็ตามธาตุหลักนั้นก็ดำรงอยู่เป็นธรรมะทิฏฐิเป็นธรรมานิยาม ว่าธรรมะทั้งปวงไม่เป็นอัตตาจับแต่หัวข้อมาเรียงเป็นสี่คือธรรมานิยามหนึ่งอิทปัปปจิตตาคือปฏิจสมุปบาทธรรมานิยามที่สองอณิตตาภาวะที่สังขารทั้งปวงไม่เที่ยงธรรมานิยามที่สามทุกขตาภาวะที่สังขารทั้งปวง คงอยู่ไม่ได้ธรรมานิยามที่สี่อนาตตาภาวะที่ธรรมะทั้งปวงไม่เป็นอัตตาอย่างที่พูดแล้วว่าข้อหนึ่งอิทัปปจยตาหรือปฏิจจสมุปบาทเป็นธรรมนิยามที่แสดงความเป็นไปของขันห้าในอาการที่สัมพันธ์เป็นเหตุปัจจัยแก่กันเป็นเรื่องอาการความเป็นไปของสังคตธรรม คือประดาสังขารที่เรียกได้ว่าอยู่เบื้องหลังปรากฏการในโลกแห่งสมมุติข้อสองและสอนิจจตาและทุกขตาเป็นธรรมนิยามที่แสดงสภาวะของประดาสังขารอันเป็นสังขตธรรมได้แก่ขันห้าทั้งหมดว่ามีลักษณะร่วมกันที่ว่าสัพเพสังขาราสังขารทั้งปวงคือทุกอย่างที่เป็นสังขตะล้วนม่เทียงคงอยู่มิได้ เสมอเหมือนกันทั้งหมดข้อสอนัตตาเป็นธรรมนิยามที่แสดงสภาวะของธรรมะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสังคตาธรรมหรืออสังคตาธรรมไม่ว่าจะอยู่ในขันห้าหรือพ้นจากขันห้าคือขันเทาวินิมุติว่ามีลักษณะร่วมกันคือสัพเพธรรมาธรรมะทั้งปวงไม่ว่าสังขารเป็นสังคตะ หรือวิสังขารเป็นอสังขตะล้วนไม่เป็นอัตตาคือเป็นอนัตตาเสมอกันทั้งสิน้นธรรมะนิยามที่หนึ่งคืออิทธปจิยตาหรือปฏิจจสมุปบาทแสดงอาการที่สภาวะธรรมทั้งหลายอนุเรียกรวมรวมว่าขันห้าสัมพันธ์เป็นเหตุปัจจัยแก่กันใน แ, แนวทางที่รวมเป็นกระบวนการแห่งการก่อให้เกิดทุกข์ ถือว่าเป็นความหมายของอริยศัสตร์ข้อที่สองคือสมุทัยอริยศัสตร์ดังที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทสมุทัยวาระอาการที่ขันห้าเป็นไปตามกฎอิทัปปัจจยตานี้แสดงออกมาในตัวมันเองถึงลักษณะที่เป็นอนิจจงและทุกขังของขันทั้งหหรือของประดาสังคตาธรรมนั้นนี่ก็คือ ธรรมนิยามที่สองและสามคืออนิจจตาและทุกขตาพูดให้เต็มตามหลักว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขาเมื่อขันห้าเป็นไปตามอิทธิ ป, ปัจจตาโดยมีลักษณะเป็นอนิจจาทุกขาอย่างนี้และยังไปรวมอยู่ใต้ธรรมานิยามที่สคืออนัตตาข้อต่อไปด้วย มันจึงมีสภาพเป็นที่ตั้งแห่งทุก์เป็นที่ก่อตัวของทุกขหรือเป็นที่รวมไว้แห่งศักยภาพของการที่จะเป็นทุกข์และนี่ก็คือความหมายของอริยสัจข้อที่หนึ่งอันได้แก่ทุกขะอริยสัจในที่สุดถึงแม้สังขารทั้งปวงนั้นจะเป็นอย่างไรก็ตามมันก็คือธรรมะมันเป็นสภาวะธรรมเมื่อเป็นสภาวะธรรม มันก็มีภาวะของมันเองไม่เป็นใครไม่เป็นของใครไม่ใช่ตัวตนของใครไม่อยู่ในอำนาจของใครที่จะไปสั่งไปบังคับมันได้จริงแล้วตามฐานะที่เป็นสังคต ธ, ธรรมมันก็จึงเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่ปรุงแต่งมันแล้วก็เป็นอนิจจาเป็นทุกข์าไปตามเหตุปัจจัยนั้นไม่มีใครสั่งบังคับให้มันไม่เป็นอย่างนั้นได้ ดังนั้นสังขารหรือสังคตาธรรมทั้งปวงนั้นจึงมีลักษณะร่วมตามธรรมนิยามที่สข้ออนัตตาคือสัพเพ ธ, ธรรมะอนัตตาทีนี้นอกจากธรรมะที่เป็นสังคตาธรรมหรือสังขารก็ยังมีธรรมะที่เป็นอสังคตาธรรมซึ่งพ้นเหนืออิทัปปัจจะตาไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง จึงเป็นนิจาไม่เป็นทุกขาเป็นทุกขานิโรธนี่ก็คืออริยสัจข้อที่สที่เรียกว่านิโรธอริยสัจอันได้แก่นิพพานแต่เมื่อเป็นธรรมะเป็นสภาวะธรรมก็อย่างที่ว่าแล้วคือจึงมีภาวะของมันเองไม่เป็นใครไม่เป็นของใคร ไม่ใช่ตัวตนของใครไม่อยู่ในอำนาจของใครที่จะไปสั่งบังคับมันได้นี่ก็คือเป็นอนัตตาเช่นกันดังนั้นธรรมนิยามที่สข้ออนัตต า, ตาคือสัพเพ ธ, ธรรมะอนาัตตาจึงเป็นลนักษณะรวมของธรรมะทั้งปวงทั้งสังขารและวิสังขารหรือทั้งสังคตธรรมและอสังคตธรรม เป็นนั่นว่าอสังคตาธรรมแห่งนิโรธอันประจักษ์ในที่จบที่สิ้นสุดที่ไม่เป็นไปแห่งปฏิจจสมุปบาทสมุทัยวาระคือ น, นิโรธวาระแห่งปฏิจจสมุปบาทหรือพูดให้ง่ายว่าอันลุกถึงด้วยการหยุดดับไม่เป็นไปไม่เกิดขึ้นแห่งปฏิจจสมุปบาทนี้ แม้จะพ้นจากภาวะที่เป็นสังคตจึงไม่เป็นอนิจจังไม่เป็นทุกขังแต่ก็เช่นเดียวกับสภาวะธรรมทั้งหลายในแง่ที่ว่าไม่เป็นอัตตาคือเป็นอนัตตาไม่เป็นของใครไม่เป็นใครๆไม่เป็นตัวตนของใครไม่เป็นไปตามปรารถนาของใครคือเป็นสภาวะตามที่เป็นของมันเอง ส่วนอริยสัจข้อที่4คือทุกขนิโรธขามินีปฏิปทาอริยสัจที่เรียกสันส้นๆว่ามักพูดอย่างรวบยอดก็คือวิธีปฏิบัติในการที่จะให้กระบวนการของอิทัพปัจจยาตาที่เป็นปฏิจสมุบบาทสมุทัยวาระไม่เป็นไปหยุดลับดับสลายหายไปหรือให้พลิกกลับเป็นปฏิจสมุบบาทนิโรธวาระนั่นเอง แต่ในการปฏิบัติที่จะให้เป็นอย่างนี้เมื่อแยกแยกออกไปก็มีรายละเอียดมากมายซึ่งจัดเป็นระบบชีวิตดีงามที่เรียกว่ามักมีองค์8อันสาเร็จด้วยตรายสิกขาซึ่งทั้งหมดนี้ว่าด้วยสาระก็คือการละอกุศลและเจริญกุศลแล้วทั้งอกุศลและกุศลก็อยู่ในขันห้านั่นเอง จะพูดให้ง่ายว่าพัฒนากุศลละขันธ์หรืออย่างที่บางท่านชอบพูดให้สะดวกปากพอรู้กันโดยนัยยะว่าพัฒนาขันห้าก็พอได้ดังนั้นอริยศัสตร์ข้อที่สคือมรคนี้จึงเป็นไปตามธรรมนิยามที่สองสามสคืออนิจจตาทุกขตาและอนัตตาทั้งหมด เป็นอันว่าในธรรมนิยามสี่ข้อนี้ข้อที่1อิทัปปจยตาแสดงอาการที่เป็นไปของสังขตาธรรมเป็นสาระของอริยสัจข้อสองข้อที่สองและสอนิจจตาและทุกขาตาแสดงลักษณะร่วมของสังขตาธรรมครอบกลุ่มอริยสัจข้อ1ข้อสองและข้อสี่ ข้อที่4อนัตตาแสดงลักษณะร่วมของสัพพธรรมคือทุกสภาวะครอบคลุมอริยสัจหมดทั้งสี่ข้อ